ขอความสุขความเจริญจะมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายเสียงธรรมจากมหาวิทยาลัยศรีประทุมกำลังนำเสนอพระสูตรในอุทานคืออายุสมะโอสัจจนสูตรคือพระสูตรที่จัดถึงอิทธิบาทสแล้วก็การปรุงประชุนมายุสังขารโอสัจนะ เป็นการแสดงถึงการปรงประชนุนหรือปล่อยวางสังขารทั้งหลายโดยตั้งพระไทยจะปฏิพานธ์นะก็สรุปว่าเมื่อมานได้กราบทูลรัตนาทุกข์ทุกเจ้าก็รับสั่งว่าบุคคลมานพูกมีบาปท่านจงเป็นผู้ขวนขวายน้อยเถิด ไม่นานนักตถาคตจะไปนิพพานแต่นี้ล่วงไปสามเดือนตถาคตจะไปนิพพานครั้งนั้นแลพระผู้มีพระภาคเจ้ามีพระสติสมัมมาชน ญ, ญาปรงพระชนมยุสังขารณปาวาลเจดีเมืองไพลซาลีก็เมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงปรงประชนมยุสังขารแล้วแผ่นดินหวั่นไหวหน่าพึงกลัวลุ่มชาติชูชัน รองคลิปก็มันลือลั่นก็ในหมหาปใิพานในสูตรนี้ท่านได้แสดงถึงเหตุได้แผ่นดินไหวเป็นการรับสั่งตอบคำถามคำกราบทูลถามของพระอานนทิระพระเจ้าก็ทรงแสดงว่าเหตุได้เกิดแผ่นดินไหวนั้นก็มีอยู่แปดประการทึ้นหนึ่งคือลมกำเริบ สองท่านผู้มีฤทธิ์บันดาลสามพระโพธิสัตว์สุติจากบุษิทพิภพมาถือเป็นสนที่ในคันของพระมารดาแสปพระโพธิสัตว์ประสูติแลก้ก็หพระพุทธเจ้าศัสรูแล้วหกเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนา เพระพุทธเจ้าทรงปรงประชดมยุสังขารและ8พระพุทธเจ้านิพพานพระนโรก็ทราบว่าพระพุทธเจ้าทรงปรงประชดมยุสังขารทีนี้การปรุงประชดมยุสังขารเนี่ยเราก็คุ้นๆแต่ว่าปรุงประชดมยุสังขารแต่วิธีการในการป ร, รุงรเนี่ยทรงกระทำอย่างไร คือน่าจะกลับไปมองเพราะว่าคือในแง่มุมของประวัติศาสตร์อย่างที่บอกไว้ในวันก่อนเนี่ยว่าเพื่อดูเส้นทางเสด็จพุทธดำเนินตอนนั้นไปเสด็จกรรมพันสาอยู่ที่เมืองไพราลีทีนี้ปัญหาสำคัญว่าตอนนั้นมันเป็นเดือนกลางเดือนแปดถึงกลางเดือนสิบสอง ในกลางเดือนส1บอพอกลางเดือ น, 12, นสิบสองในภาษาดิบุตรไม่ผ่านพอสิ้นเดือนสิบสองเนี่ยพระโมคคัลลานานไม่ผ่านจะในขณะเดียวกันตอนพันษาในผู้เจ้าทรงระชวนแล้วไปชวนค่อนข้างหนักเีลยงแต่ว่าไม่ได้แสดงสัญญาณอะไรว่าจะไน่ผ่าน พรนุ น, นเองก็แสดงความกังบลความวิตกหวงใจแล้วกลับภูมิความรู้สึกของท่านต่อพระองค์ประเด็นที่น่าจะมองก็คือว่าพระเจ้าเสด็จไปที่สาวัตถีเสด็จไปที่สาวัตถีนะถามว่าเสด็จไปทำอะไรก็ ไปประทับอยู่ที่ประเทศต ว, วันจุดเสด็จออกจากเวลุขามแล้วก็ไปประทับที่ประเทศตะ ว, วันตอนนั้นถ้าเราดูเวลาก็ต้หมายความว่าคงจะต้นเดือนสิบสองเราแสดง ว, ว่าออกพรรษาแล้วพระพุทธเจ้าก็เสด็จไป ท, ที่3 ภาษาริบุตรได้ปไปนิพนธ์นที่บ้านของท่านที่เมืองนาลังทาเมื่อลังทาที่ยิงก็อยู่ใกล้กรุงราชคฤห์พระจุนทาซึ่งเป็นน้องชายของท่านก็นำอธิธาของท่านไปถวายพระพุทธเจ้าที่ไปเชตวันหลจากนั้นพระเจ้าเสด็จมาที่พระเวฬวันก็สิ้นเดือนสิบสอง พระโมคคัลลานะก่อนนีานอย่างที่เลาให้ฟังมืกนก็หมายความว่าในช่วงตรงนี้พระพุทธเจ้ายังประทับอยู่ที่กรุงรัชครูแล้วก็รับสั่งให้สร้างเจดีย์บรรจุธาตุของพระสารีบุตรพระโมคคัลลานะซึ่งดูระยะเวลาดูช่วงแล้วก็ไม่น่าจะใหญ่ จะดีไม่น่าจะใหญ่เพราะว่าเราดูที่พุทธคยาจะดีก็ไม่ค่อยใหญ่เป็นสถูปเล็กๆ เ, เป็นที่รู้จักกันแต่ในการต่อมาคนรุ่นหลังเนี่ยนำไปบรรจุที่สาริตเป็นจะดีขนาดใหญ่ภาตของพระเจราทั้งสองจากนั้นพระตถกคตอาจารย์ก็เล่าว่า พระผู้มีพระภาคทรงถือเอาธาตุของท่านพระโมคกคลานะแม้นั้นแล้วให้สร้างเป็นเจดีย์แล้วเสด็จออกจากรุงราชฤกึ์แล้วก็ไปอุกาเจละวิหารตามลำดับอุกาเจลวิหารนั้นท่านก็ไม่ได้บอกนะว่าอยู่ตรงไหนเป็นชื่อที่เราไม่ค่อยคุ้นหรือไม่ปรากฏในที่ต่างๆ แล้วก็แสดงให้เห็นว่าตอนที่พระพุทธเจ้าเสด็จไปที่ปุ ก, กาเจลาวิหารเขามีประสงค์แวดล้อมและประทับนั่งนักฝังแม่น้ำคงคาแสดงธรรมอันเกี่ยวเนื่องกับการปฏริพานของพระสาวกทั้งสองรับสั่งไว้ว่าเือเนธทิศ ทั้งปวงของพระองค์เนี่ยมืดมนเพราะว่าตอนพระเทพรัทั้งสองอยู่เนี่ยมันเหมือนกับแขนทั้งสองอยู่มีภารกิจอะไรต่างๆเกิดขึ้นสององค์นี้ได้เรื่องคอได้งานได้การตลอดแล้วมันเกิดหักมุมฮะในแง่มุมของการบริหารพระศาสนามันเกิดหักมุมเพราะว่าในพระสูตรหนึ่ง ที่เคยเล่าฟังนะว่าพระเจ้ารับสั่งถามพระโมกษาดิบุตรพระโมกขลานะตอนนั้นพระท่านส่งเสียงดังแล้วพระเจ้าก็รับสั่งขับไล่ให้ออกไปทาริบุตรพระโมกขลานะก็ต้องออกไปด้วยเพราะเป็นอาจารย์แล้วก็ใ น, นที่สุดก็รับสั่งให้กลับกลับม า, าเป็นการกำราบเป็นวิธีฝึกคนของพระพุทธเจ้า โดยตรงตรงนี้ที่จริงเป็นเป็นเรื่องเราอย่าลืมมาเป็นศาสดาผู้เอนดูที่สาวกมีความรู้สึกว่าตัวเองมีแต่รับไม่ได้ให้อะไรแก่พระพุทธเจ้าเความสำนึกคุณความจงรักความพักดีความศรัทธาความเลื่อมใสเนี่ยมันหนักแน่นมั่นคงรับสั่งอย่างไงก็คืออย่างนั้นเลยหรือรับสั่งให้ไปก็ให้ไปรับสั่งให้เข้ามาก็เข้ามา พระเจ้รับสั่งว่าสารีบุตรเธอคิดยังไงตอนที่สถาโขดขับไล่ให้ภิกษุออกไปเธอคิดยังไงสารีบุตรกราบทูลว่าข้าพระองค์คิดว่าเบลานี้พระผู้มีพระภาคเจ้าคงจะทรงปรารถนาเรียกว่าจะสงบจะหลีกเล่นขวนขวายน้อยสำนวนมาหลีกขวนขวายน้อยท่านเองก็จะขวนขวายน้อยด้วย พระเรับสั่งว่าคิดอย่างนั้นไม่สมควรสารีบุตรคิดอย่างนั้นไม่สมควรพอถามพระมหาโมคคล า, านาเนี่ท่านตอบอีกเรื่องหนึ่งโมคคล า, าน า, นานบอกคิดคิดเหมือนตอนแรกก็คิดเหมือนว่าพระพุทธเจ้าคงจะขวนขวายน้อยวันต่อไปในเรากับสารีบุตรจะต้องช่วยดูแลพระภิกษุสงฆ์พระเจ้าส่ ง, สงรับสั่งอนโมทนาสาธุสาธุโมคคลานาสาธุมมราาาาธเราเธอและสารีบุตรเท่านั้น ที่ควรแก่การบริหารคณะสงฆ์ได้อย่าลืมว่าเมื่อท่านทั้งสองนิพพานไปก่อนพระพุทธเจ้าก็ไม่มีพระเทระรูปใดที่มีบารมีมากพอที่จะบริหารคณะสงฆ์เพราะว่าในยุคสมัยตรงนั้นพระสารีบุตรเนี่ยเหมือนกับเหมือนกับพี่เลี้ยงนางนมนะฮะ แ ค, แค่กรรมดาพอให้เกิดพระสารีบุตรกับพระโมคคัลลานะก็เหมือนกับพี่เลี้ยงนางนุ่มก็เป็นที่เคารพนับถือของพระสงฆ์ทั้งปวง ร, รองลงมาจากพระพุทธเจ้าก็เป็นยุคเป็นช่วงที่ที่คนรุ่น ร, รุ่นยุคแรกเนี่ยสิ้นไปเยอะมา ก, มาก เรานึกดูแล้วมันถึงล่าวใกล้ๆคนวัยเดียวกันเนี่ยมาจากไปตอนนั้นต่อกันไปเป็นแถวนะพระเจ้าพิพมิสารไปก่อนหน้านั้นก็ประมาณสิบกว่าปีแล้วก็พระเจ้าเปรสินที่กโกศลก็ใกล้ๆนะใกล้ๆกันแล้วก็จากนั้นก็มาเป็นพระพุทธบิดานี่ไปก่อนนะ พระนางหมาประชาบดีพวกภิกษุณียุคนั้นห้าร้อยรูปเนี่ยพวกสากยานีที่ออกมาจากภูมิกบิลพัทรวมทั้งพระพัท ธ, ธกัจจนาคือพระนางเยโสถราพิมพาเนี่ยก็ลานิพพานหมดนิพพานวันเดียวกันทั้งห้าร้อยนะคือสหรับพระหันท่านไม่รู้สึกสูญเสีย แต่ว่าเราถ้าหากว่าเกิดตายกันรวดเดียวอย่างนั้นก็ท็อกเหลือหกโลกเลยนะก็สูญเสียอย่างแรงและอย่าลืมว่ า, าสมมติว่าในประเทศไทยเราเนี่ยพระเทรักเกิดตายพร้อมๆมาจาก 20, 30, 30, ยี่สิบสาสิบรูปถึงยุ่งนะไม่ใช่เล่นนะไม่มีตัวแทนก็มีช่องว่างระหว่างวัยเนี่ยอยู่เยอะมาก วัดบางวัดเนี่ยมีพระที่เด่นอยู่เพียงองค์เดียวมือก็ทงนะมันพิ้วไหวอยู่บนยอดแล้วข้างล่างไม่มีอะไรว่าเราจึงพบประวัดบางวัดพอพระผู้ใหญ่ที่เป็นที่เคารพนับถือของชาวบ้านมโนภาพลงวัดก็สุดแล้วกว่าจะฟื้นก็นานนะ เราลองสังเกตว่าวัดดังๆน ะ, ะเช่นวัดหลวงพ่อปานวัดบางหนุ่มโคเนี่ยดังมากสมัยนึงถูกไหมแต่วัดอะไรละ่ะวัดท่าสุงของฤาสีดิงดำวัดเป็นอันมากนะฮะวัดที่พระเทระท่านอน า, าพปาปิขาทนเจ็ดรูปที่เครื่องบินตกที่ทางสิก็พอสิ้นยุคของท่านแหะมันสุดคน ที่บารมีระดับนั้นไม่ถึงวันนิยุทสมัยพุทธกาลก็มีลักษณะอย่างนีน้มีข้อที่น่านสังเกตอย่างหนึ่งว่าผู้เจ้าคงองอ่อนเพรียนะฮะเพราะว่าทรงบุญชวนหนักแล้วไม่แข็งแรงท่านก็ไม่ได้ให้รายละเอียดวายา่าเสด็จยังไงถือท่านเสด็จโดยปกติจริงๆก็คงคงลำ บ, บากไม่ใช่เล่น ไดงนึกภาพอยู่นะฮะบางทีเราก็นึกภาพว่าเอออาจจะต้องการให้เป็นเนติแบบแผนของคนรุนหลังก็ได้คือตอนนี้ที่ตอนเสด็จจากไผ่สลีมาสู่สาวัตถีจากสาวัตถีมาสู่ราชคฤก์จากราชคฤก์มาสู่ปุกาเกจริญวิหารเนี่ยวังแด้พอทำเนานะแต่ว่าตอนที่ทรงไปชวนลงพระโลหิต ที่บ้านในจุนทาเนี่ยหลังจากออกจากบ้านในจุนทาแล้วก็เสด็จพุทธดาเนินมาที่เมืองเมืองกุสินารานเนี่ยโอยมันนึกแล้วอึดอัดนะหือ พ, พออ่านแล้วรู้สึกอึดอัดว่าเอ๊ะทำไมปล่อยผู้เจ้าเดินทำไมทำไมไม่มีแค่มีเตียงหามเรพาพุทธเจ้าคือมันก็จินตนาการนึกไปถึงแค่กค่เราถ้าเราอยู่ตรงนั้นเราก็คงไม่ยอม หรือมันก็ควรจะมีอะไรหามแต่อาจจะต้องการให้เป็นเนติแบบอย่างเราที่เบสเนี่ยเขาบอกว่าทรงพักหนที่ต่างต่างตั้ง25แห่งเดี๋ยวก็เราพักสองคราวนั้นเองถึ ง, ถ, งถึงกุศนาราเด้ทีนี้พอมาถึงตรงนี้ท่านก็เล่าเล่าถึงสถานที่ต่างๆที่ พุทธเจ้าทรงทำนิมิตโอภาสอ้ น, นี้เป็นเป็นการเล่าของพระอ า, าจารย์นะพระอ า, าจารย์รูปนี้ก็คือพระพุทธโฆษาท่านเป็นการเล่าย้อนหลังตั้งเก้าร้อยกว่าปีนั่นถึงพันปีหรือแสดงว่าถ้าเป็นจริงอย่างนี้ก็การบันทึกเรื่องราวาต่างๆหรือว่าการเล่าขานตำนานต่างต่า ถ้าดูแนวพระคัมภีร์พระพุทธศาสนาโดยเฉพาะระดับอัตถกาตาจารย์ก็ย้อนอดีตได้เยอะว่าแนวโบราณถ้าเราดูพวกคัมภีร์ของคริสต์ก็ดีของอิสลามก็ดีคือจะเล่าย้อนอดีตไปไกลมากๆก็แนวอย่างหนึ่งในการเรียบเรียงคัมภีร์ทางศาสนา แล้วท่านก็อธิบายถึงสถานที่ต่างๆนะที่เรียกว่าปาวาลเจดีที่พระเจ้าทรงโปรดประชดมายุสังขารเนี่ยบอกว่าเป็นสถานที่ยักษ์ชื่อว่าปาวาละอาศัยอยู่ในครั้งก่อนก็ปรากฏว่าเป็นปาวารเจดีแล้วก็แม้วิหารที่เขาสร้างถวายพระพุทธมระภาคในที่นั้นเขาก็เรียกว่าปาวารเจดี ก็เป็นคำทั่วๆไปมันบอกว่าเป็นคำดา ด, ดื่น้วยคำดา ด, ดื่นคือรู้จักกันแพ่หลายแล้วก็อุเทนเจดีเออท่านไม่อ่านนะฮะก็แสดงว่าเป็นเจดีที่กษัตริย์ชื่อว่าอุเทนสร้างไว้แล้วท่านก็มาอธิบายที่สัตสัต ตับพันธะเจดีบาลีก็เรียกว่าสัตตมพังเป็นการเล่าย้อนนฮะคือความเชื่อในแนวเวลาพระตถาจารย์ท่านอธิบายหรือถ้าเราดูโดยหลักแล้วมันเป็นกลับเป็นกันน่ะน่าจะนานมากๆเลยแต่ถ้าฟังพระตถาจารย์เนี่ยการสืบศาสนา มันมีแนวคล้ายๆกับศาสนาเชในโดยคล้ายกัรรุ่นต่อรุ่นมาอะไรต่างนั้นแน่ๆวันเวลเนี่ยที่ประทับของพระพุทธเจ้าห้าพระองค์อันทีก็เจ็ดพระองค์จากกุกสันโทโกนาคมกัสปะโคตมะอะไรแต่อะไรเนี่ยพระวิปสัสสีสิกีเวสภูโกนาคมมาเนี่ยแล้วก็อธิบายอนธะิบายเราดูแล้วมันสั้นเนะี่ยยุทธยาเป็นกลับกั บ, ก, บกันๆอะไรจะรู้ได้ไงมันอะไรมันก็หายไปหมดลย แต่เวลาแสดงในรูปพุทธันดรเ น, นี่ยมันนานนะทีนี้อันนี้ตรงตรงเนี้สัตพันธ์พระเจดีเนี่ยท่านพูดแบบพุทธันดรนคือธิดาของพระเจ้ากิจิในสมัยศาสนาประกาศสปะสมมาสมพุทธเจ้าเนี่ยมีทิดาอยู่เจ็ดพระองค์ไม่ยอมแต่งงานนะขอบวชราชบิดาไม่ยอมให้บวชเลยก็บำเพ็ญพรหมจรรย์อยู่ในวันทีนี้ก็ ต่อมาท่านก็เกิดสังเวชสลดจิดขึ้นมาก็ไปตั้งความเพียรอยู่ในป่าในป่ามาอยู่ตรงนี้ป่าตรงนี้เป็นไพรสาลีนะฮไพรสาลีแล้วก็ท่านทั้งเจ็ดเนี่ยต่อมาก็เป็นอุบาสิกาเป็นภิกษุณีที่มีบทบาทสําคัญระดับเอตตะคฆะทั้งหมดเลยทั้งเจเนี่ยพวกเนี่ยปุกนางวิสาขานางธรรมทินนาะอะไรอะไรต่างต่างเนี่ย เทรีที่มีความต้องการต้องการเนี่ยเป็นธิดาของพระเจ้ากิจกิจนะนั้นในสมัยนั้นแล้วก็พระอุปุตตะยดีก็เป็นที่สิงสถิตของเทวดาบอกว่ามนุษย์เป็นอนมากปรารถนาบุตรแล้วก็มาขอบุตรกับเทวดาประจําต้นใส่แล้วก็ได้บุตรเลยก็ลูกเยอะนะฮะเลยชื่อว่าพระุปุตตะคือลู ก, ล, กลูกมากแล้วก็ ต่อไปก็สารันธานี่เป็นที่สิงสถิตของยักษ์สารันตเจดีแล้วก็เรียกอุาหารว่าเจดีเพราะว่าเทวดาครอบครองอยู่ก่อนพระพุทธเจ้าถึงมาสร้างวิหารถวายพระพุทธเจ้าคนทั้งหลายก็ยังจําก็เลยยังเรียกอย่างนั้นอยู่สถานตรงนี้เขาเรียกว่าเป็น ร, รมนัมมณียสถานเป็นสถานที่ก่อให้เกิดความรื่นรม เพรความคิดในแนวของการสร้างวัดทางพระพุทธศาสนาเนี่ยต้องการให้เกิดความรื่นรมย์แล้วถ้าเราดูความคิดนีฮะมันเป็นลักษณะของการแปลนามธรรมคือศีลสมาธิปัญญาหรือศีลน้อยใจว่าก็คือความสะอาดสมาธิ ก, ก็คือสงบปัญญาก็คือสว่างรุ่งเรืองเพราะแนวการสร้างวัดเนี่ยเรสร้างมาในลักษณะอย่างนี้ วัดในอุดมคติคือยังนึกว่าวัดในอุดมคติมันก็น่าจะเป็นวัดที่ตรงกับที่นิราชนรินท่านบรรยายไว้บรรยายบทที่สองบทที่สามเรืองเรืองไตรรัตพ้นผันแสงสวยงามมากนะสงบเย็นมากรินรถประธรรมแสดงข้าเช้าพระมีการเทศ ทั้งตอนเช้าแล้วก็ตอนเย็นสาธนาสถานเจดีระดะัแสงเสียดยอดดนยิ่งสาแสงแก้วก้าวแกนลา่าหลากสวรรค์นั่นเป็นวัดที่รืดนรมสวยงามจะเรียกว่าอารามอารามแปลว่าทำใจให้มีความรืดรมแล้วก็ พังวัดเนี่ยก็จะสวยนะพังวัดรวมถึงกิจกรรมของวัดพระโบสถ์ระเบียงมโมดกพื้นภัยหารธรรมาสาลาลานพระแผ้วหอไตรระคังขานภายคำํำไขไปที่โคมแก้วกภาฟ้าเกลื่องกันทีจะมองย้อนกลับไปที่โครงบทแรกสองวันทัดหลังเนี่ยและเน้นภารกิจ เป็นภารกิจที่สถาบันประมากศสนับสนุนกิจกรรมของคณะสงฆ์แล้วก็นึกเสียดายนะว่ารัฐบาลทั้งหลายมีกี่ชุดมาแล้วเนี่ยคือเอาอำนาจทั้งสามของสถาบันประมากศมานะเล่นกับจุดเละเลยแต่ว่าไม่เอ า, าศาสนาพุทธมาเป็นเรื่องชอบกด สล้วกนูประถามเลยไม่เอามาเดเวนี่เลยก็หลงทางปัญหาสังคมเยอะแยะพูดออกนอกทางไปไหนไม่รู้ข้าวรเข้าพงไปไหนกันเลยมันเป็นปนัญหาศีลธรรมลองสาวไปดูเถอะมันเป็นปนัญหาศีลธรรมทั้งนั้นเลยปัญหาเรื่องเพศปัญหาเรื่องยาเสพติดปัญหาโรคเอจปัญหาอะไรนับไปเถอะเป็นปนัญหาศีลธรรมทั้งนั้นในอาการของกิเลส เป็นสมทัยสัตว์มันก็เกิดเป็นทุกข์กัตริ์ขึ้นมา็นเรื่องธรรมดาคือ ท, ท่านท่านบอกว่าบุญเพลงพระหักสันสรบุ่งเรืองแห่บางกระบายเบิกฟ้าฝุดพื้นใจเหมืองบรรทัดเนี้ยเป็นบรรทัดทองเลยมันต้องปิดประตูนรกปิดประตูทางเสือ่อเบิกฟ้าคือเปิดประตูสวรรค์เปิดประตูแห่งความเจริญโดยฝุดพื้นใจิตใจของปุณณเมือง ไอ้ความรู้คู่คุณธรรมนะอะไรนี้ยังมั่วอยู่เลยนะคุณธรมคืออะไรยังไม่รู้กนะันเวันก่อนนี่มีแบบสอบถามของนักศึกษาเป็นยาทูบมาสอบถามท่านถามซ้ำไปซ้ามาแล้วถ้าไม่รู้มันซ้าเลยก็ตอบประปรุไปเลยเพราท่านไม่เข้าใจธรรมะแล้วท่านไถามมั่วไปหมดเลยคือคาที่ตอบแล้วก็ถามอีก หลับแล้วถามอีกถามอีกอี ก, อ, กอีกหนึ่งคือคืออย่าลืมว่าในแง่ของธรรมะเนี่ยเช่นเราเมตตาเนี่ยเมตตาไม่เป็นตัวคุณธรรมและเมตตาเกิดที่จิตก็แสดงว่าคนเนี่ยมีคุณธรรมคือเมตตาแล้วพอเขาแสดงเนี่ยว่าคนนี้มีเมตตาคนนั้นแหะเวลาพูดเวลาทำเวลาคิดเนี่ย มีเมตตาแต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่าจิตคิดเมตตาหรือไม่แต่ว่าปากกับการกระทำของท่านยังมีเมตตาแล้วก็มีการสร้างสรงรค์พัฒนามีการสงเคราะห์น้ อ, น อ, นอเคาะห์เฉยๆเกิดกูลเกสังคมนั้นก็เป็นผลมาจากคุณธรรมคือเมตทานะฮะเมตตาธรรมะข้อเดียวแตนั่นเองแหละแต่ว่ามันเป็นเจตนาเป็นการกระทําเป็นผลที่เกิดขึ้นจากการกระทําแล้วก็ต่อกันไปะ ที่จากผลเป็นเหตุจากผลเป็นเหตุจากผลเป็นเหตุก็ไปเรื่อยๆเกิดเลือดไหลไปได้เรื่อยๆก็เป็นเมตตาวิหาหรีมีปกติอยู่ด้วยเมตตาทีก็กลับมาดูตรงนี้ว่าทัานก็เล่าถึงความอุดมสมบูรณ์อะไรต่างๆในตรงนี้นะฮรเห็นมันมากทีนี้ประเด็นที่สำคัญเนี่ย คือข้อความที่พุทธเจ้ารับสั่งต้องการให้พุทธสาวกเนี่เป็นเช่นนั้นและการแรกก็คือภาวิตาแปลว่าได้เจริญแล้วภูริกตาคือกระทำาบาๆกระทำไม่มากกระทำอย่างต่อเนื่องกะทำไปต่อเนื่องไปเรื่อยๆก็เรียกว่าเป็นภูริกตาแล้วก็ ยานีกตาไหนแก่ก็ททำให้เป็นดุจยานเป็นที่เชียมเป็นที่อาศัยนะค่คะๆก็เราจะไปไหนมาไหนก็ต้องมียานภานะคือทำยังไงว่าเราจะอยู่ในียบบทได้ก็ไม่รู้ทำงานทำการอะไรก็มีให้มีคุณธรรมกํากับใจขอกตามทุกคนแกน่กรณีนั้นนั้นมีสติมีสัมมาจัณฑะมีความเพียรนะกับคนก็มีเมตตากรุณามมุิตา เบะขาตามทุกคนแก่แกนี้อย่ากเกิดอาการ้วกันซึ่งก็หมายความว่าผลที่เกิดเนี่ยคนเหล่านั้นเขาได้เองพระเจ้าเป็นผู้หนุนเพราะเขาเพราะสิ่งเหล่านั้นพระเจ้าสัมผัสหมดแล้วจะ ต, ต้องการให้คนอื่นได้สัมผัสอย่างที่พระองค์ได้ส่งสัมผัสแต่พระองค์ส่งสัมผัสได้อย่างสมบูรณ์คนเราก็ว่ากันตามที่ว่าได้ ต่อไปก็วัตถุกตาได้แก่ทาให้เป็นดุดวัตถุคือเป็นที่ตั้งที่อาศัยเป็นเรือนใจเป็นฐานใจเป็นหลักใจทีนี้ถ้าเป็นเรือนใจเป็นฐานใจเป็นหลักใจได้แล้วเนี่ยมันเป็นกระบวนการของธรรมะคือกุศลธรรมอย่างอื่นที่ยังไม่เกิดจะเกิดขึ้นถึงเกิดแล้วก็จะเพิ่มพูนมากขึ้นถ้เราดูตัวอย่างง่ายๆก็ไปยก ยกตัวอย่างพระบรมพระประมบ ร, รม ร, มราชองค์การเขาในหลวงอะไรกันรับสั่งว่าเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมาชนชาวสยามเพราะทุกอย่างก็คือโดยธรรมทั้งหมดเนี่ยเป็นการโดยธรรมแล้วก็เกิดประโยชน์สุขแก่มาชนชาวสยามทั้งหมดมันทำมาบัดเกิดอี ก, กเอเนก่ยกนานเยอะแยะไปหมดเลย บางครั้งมันเกิดมีปัญหาที่หมวนชนเองมีการแตกแยกมีการทะเลาะวิวาทมีความรล่าฉานกันมีความเป็นเราเป็นเขากันก็ท่งเน้นเรื่องสามาัคคีจนมาถึงเนี้ยรู้รักสามาัคคีแล้วก็ยังรับสั่งอยู่เรื่องสามัคคีอยู่จนทุกวันเพราะยังทะเลาะไม่เลิกเลยเนะีย้ยทะเลาะกันไม่เลิกเลยในช่วงที่เริ่มมีเขาจะมีการเลือกตั้ง เรเรียกว่าหนังสือพิมพ์เนี่ยอ่านถ้าเกี่ยวกับเรื่องการเมืองแล้วไม่น่าอ่านเลยคือรู้สึกเสียความรู้สึกคนเหล่านี้คืออดีตเสนาบดีที่รับพระบรมราชโองการองการโปรดกล้าโปรดกระมอมแต่งตั้งให้เป็นเสนาบดีของแผ่นดินแต่ว่าพกแกหาเสียงเนี่ยมันเละไม่รู้เรื่องเลยไม่มีข้าวของเสนาบดี คือเสนาบดีกับความเป็นผู้ดีนยอยู่ด้วยกันนะเสนาบดีในสังคมไทยก็คือผู้ดีในสังคมไทย เ, ยเป็นเสนาบดีเันเสนาบดีในอดีตเนี่ยมันเป็นปูชนีบุคคลนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือสมัยที่ยังไม่เปลี่ยนแปลงการประครองลองศึกษาดูประวัติของท่าน เ, นเป็นปูชนีบุคคล นะไม่มีร่องรอยค้าวความของการขอรับชั้นคงกินอะไรอะไรให้ลูกหลานได้นับอายขายหน้าเพราะลูกหลานรุ่นหลังก็ยังเชิดหน้าชูตาสบายนะเพราะว่าบรรพชนของตัวเองมีคุณภาพนั่นก็แสดงถึงถึงตัวคุณธรรมเนี่ว่าถ้ามันไม่เป็นที่ตั้งเป็นที่อาศัยไม่เป็นเรือนใจเป็นหลักใจแล้วเนี่ยแหว่งคนไม่เกิดแหวง แล้วก็บทว่าอนุติตาคือตั้งมัน่นตั้งมั่นก็คือไม่หวั่นไหวเช่นสมมติว่าเรามีศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาในามาสังเกตจากอุณสกปฏิกาที่วัดมีเหตุการณ์ต่างๆในทางโลกเกิดขึ้นแก่สถาบันสูงทำแล้วทำอีก แล้วาญาติโยมไม่เคยลบเลยและที่น่าทึ่งก็คือโยมไม่เคยชวนคุยเรื่องนี้เลยเรื่องปัญหาเหล่านี้ไม่ว่าจะเกิดอย่างไรขึ้นญาติโยมที่วัดเนี่ยไม่เคยชวนคุยก็แสดงว่าเออศรัทธาเขาตั้งมัน่นเขรู้ว่าอะไรมันเกี่ยวอะไรไม่เกี่ยวมันแยกได้แต่ทีนี้ถ้าไม่ตั้งมั่นเนี่ย พอเกิดข่าวพระไม่ดีแล้วไม่ทําบุญแล้วไม่ตักบาตรแล้วไม่เข้าวัดแล้วก็ด่าเลยด่าส่งเลยนั่นแสดงว่าใจแย่มันยใแย่มากคือเราไม่เข้าใจนะไม่แยกแยะคือต้องเข้าใจเรื่องกฎของกรรมคนเราถ้าเข้าใจกฎของกรรมแล้วเรื่องเรื่องคนอื่นก็คือเรื่องคนอื่นท่านก่อนเนี่ยมีพระเขาโทรศัพท์มาบอกจากพระอิสาน ผู้ตึงปัญหาที่เกิดขึ้นในวัดหนึ่งแล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่ที่รับผิดชอบอยู่เนี่ยแก้กันไม่ได้ก็ยังยังมีความคิดอยู่ ไ, ว ไ, ไงว่าทำยังไงมาเรานั่งคุยกันนั่งคุยกันธรรมดาแล้วก็ชี้แจงอธิบายเหตุผลพอายหนึ่งก็ตั้งเกียดพายหนึ่งว่า บกพร่องในด้านวินัยแต่ไม่มีไปจักพยานหลักฐานคิดเอาเองคิดออาจากสาภาพแวดล้อมแล้วก็คิดเลิดวันหนึ่งเนี่ยท่านเชื่อมั่นในตัวท่านเองนะฮะว่าท่านท่านไม่ได้ผิดพลาดอะไรท่านโงงอาจกล้าหารไม่หวั่นไหวแอะไรเดี๋ยวเกิดความแตกแยกดีย๋ยวในสุดก็ทุกวันในสะสมบาป สะสมบาป พ, พอพระชุดที่ตัวเองไม่ชอบเอาบินทบาทเนี่ยไม่ยอมตักนะพระก็เกิดไม่พอใจมาประกอบยอมตักก็ไม่เยอมแม้คนจะตักเขาก็ไม่เปิดบาตรให้ได้เป็นการคว่ำบาตรเราลงว่าพอเห็นเนี่ยมันเกิดนิเรศด้วยกันทั้งสองข่ายเกิดโทสะด้วยกันเกิดความไม่ยินดีด้วยกันสะสมบาปทุกวัน พอพระตัวเองมาก็ได้ตักบาตนั่นก็แสดงให้เห็นว่าเรื่อคนยินดียินได้แล้วก็ไม่สำรวจอินทรีย์เลยทีนี้ยยุ่งบาว่างก็ด่ากระทบกระที่เปลือยสะสมบาปในปากกันไปงั้นน่ะแล้วไม่กี่วันก็ชวนกันตายน่ะคิดไม่เป็นน่ะเรื่องอะไรจะไปวุ่นวายเขากาไลใครก้คนนั้นก็รับกรรมก็ไป เมื่อเขาไม่รับมันก็เรื่องของเขารับก็เรื่องของเขาขอยตกนรกก็เรื่องของเขาขึ้นสวรรค์ก็เรื่องของเขาไม่ไม่ใช่ว่าคือหมายความมาต่างคนต่างไปมาด้วยกรรมของตนอยู่ด้วยกรรมของตนจากโลกนี้เผยด้วยกรรมของตอนนี่คือประเด็นหลักเรี่ยจับให้ได้ทีนี้ถ้าหากหัวใจมันไม่มั่นไม่ตั้งมัน่นมันก็แหวงแล้วก็สงใช้คามีคําหนึ่งว่า ปริจิตตาได้แก่สังสมโดยรอบคือสังสมไม่ดวยดีหน้าที่ของพุทธบริษัท น, นั้นคือสังสมบารมีสังสมความดีเก็บความดีแล้วก็รักษาความดีไปเรื่อยๆแล้วก็ต้องมีบทพิสูจเรต้องมีบทพิสูจ หลายปีมนแล้วที่จริงไม่ใช่หลายปีธรรมดานะฮะสมัยนั้นก็เป็นพระมินนมถือไปฟังเขาอภิปรายแล้วเถียงในเรื่องอรกษาติไดอรกษาติไม่ได้นะปรากฏว่าคนหนึ่งซึ่งต่อต้านคัดค้านว่าไม่มีชาติหน้าหรอกคนเราเกิดคนเดียวก็ตายคนเดียวคนหนึ่งก็พยายามอธิบายเต่ก็ไม่ยอมนะฮะ ไม่ยอมก็คือโกรธคือก็บอกอ้าคุยธรรมะกันทําไมต้องโกรธไม่ได้โกรธนะแกบอกไม่ได้โกรธมือมันสั่นยกมือชี้แต่มือสั่นแล้วก็ยังบอกไม่โกรธเนนั่นก็แสดงให้เห็นว่าอะไรคือแสดงว่าเราสะสมไว้ไม่ดีเพรอเจอแรงกระแทกมันแขวงธรรมะอย่าลืมว่า นั่นเลยก็วิชาความรู้ความสามารถฝีมือเนี่ยมันต้องมีการทดสอบได้พิสูจน์ได้ทดสอบได้ว่าดีจริงเป็นจริงมีจริงรู้จริงเข้านะใจจริงแน่นอนเรื่องด้านความรู้เนี่ยอย่างที่บอกไว้วันก่อนว่าคือเราพูดเฉพาะเรื่องที่เรารู้เรื่องเราไม่รู้เราไม่พูดเยอะไปแต่เราไม่รู้แต่เราไม่พูดพูด เ, เฉพาะที่เรารู้ แล้วก็สูุสมารัฐานะครับปลารบด้วยดีคือให้สำเร็จประโยชน์อย่างยิ่งเพราะอย่าลืมว่าการศึกษาเนี่ยนันเป็นเพียงปริยัติเจ้ว่าผลนี่มันเป็นปฏิเวทเพราะฉะนั้นปริยัตก็ต้องปฏิบัติจึงจะเกิดเป็นปฏิเวทแตวถ้าเราอยู่แค่ปริยัติแล้วก็จิตใจไม่ได้เปลี่ยนแปลงความรู้สึกนึกคิดไม่ได้เปลี่ยนแปลง นะอย่างเวลานี้ถ้าพูดถึงเรามองญาติโยมเนี่ยญาติโยมดีเยอะนะญาติโยมไม่ค่อยสนใจเรื่องนิกายเรื่องธรรมยุทธเรื่องมานิกายอะไรแต่อะไรต่ไม่ค่อยสนใจไม่ค่อยจิตใจแล้วไม่รู้วัดไหนเป็นธรรมยุทวัดไหนเป็นมานิกายแล้วไม่รู้ธรรมยุทธ์มานิการในกยอะไรแต่ในวงการพระเนี่ยยังมีอยู่บางจุดบางแห่งนะบน ก, ก่อนก็เคยเตือนสติท่านนะบอกว่า ถ้าลองคิดดูว่าถ้าเราคิดแบ่งแยกเป็นนิกายเพรานฝ่ายนิกายเดียวเกิดินดีฝ่ายเห็นต่างนิกายเกิเดดีร้ายเพราะมันนั้ น, ม, นมันเป็นอิทธารมณิธารมณ์ตลอดและสะสมกิเลสตลอดไม่ใช่วิธีการของพุทธนะวิธีการของพุทธเป็นการปฏิบัติขัดเกลากิเลสแต่ความรู้สึกเป็นเราเป็นเขาเป็นพวกเราพวกเขาเป็นนิการนั้นนิกายนี้นิการโน้ น, น, น, นอะไรต่ะต่างๆ มันจะเกิดยินดียินได้เพราะฉะนันอินทร์สังวรก็เสียสติสังวรก็เสียญาใสังวรก็เสียขันติสังวรก็ไม่เกิดหรือ เ, เสียเรื่องหมดเลแล้วเราก็ไม่ได้มองไม่ได้มองไม่ได้คิดกันในประเด็นตรงนี้ว่านี่เราบวชมาเพื่อปฏิบัติธรรมะหรือว่าเพื่อเพื่อเพื่อเป็นภาพรับใช้ผู้ซื่อสัตว์ของกิเลสกันแน่ประเด็นตรเนี้คือผลไม่คยค แล้มายังยังมีความคิดนะฮะคือประโยคเขาเรียกว่าประโยคทองตรงนี้ที่เราได้ยินในที่ต่างๆคนพูดกับเราบ้างเราได้ยินบ้างเนี่ยมันเรยกทด่คุมค้มคุ้มดูหน้ายัางยงนึดกว่าเออน่าจะบันทึกเอาไว้สักทีเพราะว่าเป็นการสะท้อนจากสัมผัสตรงแล้วเขาพิสูจน์ได้หมายความวาคนรับฟังแล้วก็เห็นเห็นจริงตามนั้น ทีนี้ประการต่อไปคือการอยู่ตลอดกลับกันอยู่ตลอดกลับนั้นพระอาจารย์ท่านก็บอกนะก็บอกตรงนคือกลับเนี่ยมันเป็นการกำหนดอายุบางทีเราก็ไปคิดว่าพระพุทธเจ้าไม่นิพพานเนะ่จะอยู่ได้ตลอดกลับคืออยู่ได้ถึงทุกวันมันไม่ใช่อย่างนั้นนะ คือกลับในที่นี้ที่ยริงกลับอายุเป็นอายุไขในแต่อยุคแลสมัยยุค ข, ของพระพุทธเจ้าอายุเฉลี่ยนะฮะอายุเฉลีย่ยยุกลับมันมีเพียงร้อยปีเท่านั้นหลังก็แสดงว่าถ้าพระพุทธเจ้าจะอยู่ก็อยู่ได้อีกร้อยปีแต่อย่าลืมพระอานุลนั่นเอ่อไม่ใช่อยู่ได้อีกร้อยปีนะอยู่ได้อีกยี่สิบปีพระอน์มันอยู่ได้ทั้งสีสิบปีเพราะพระอานนุ์ท่านไม่ประสบความ ทุกทรมานในการค้นคว้าธรรมะทั้นก็ออกบวชท่านก็อยู่สบายๆธรรมดาธรรมดาไม่ทรมานพระวรกายแบบพระพุทธเจ้าพรรษาเท่ากันนะฮะคือไปสูตรมาพร้อมกันทีเดียวกันวันเดียวกันแต่ว่าพระนอนุนอายุยืนกว่าก็ก็อยู่ได้เพียงเพียงกับเดียวเท่านั้นเองก็คืออี่ร้อยปีนะ ทีนี้ตอนเนี้ท่านท่านที่จริงก็ขนรุ่นหลังไงนะขนรุ่นหลังโดยเฉพาะ อ, อย่างเนี้ยพระมาหาสิวาะพวงนี้ก็ชอบอธิบายท่านบอกว่าขึ้นชื่อว่าเสียงอันกระคืมในที่อันไม่ควรย่อมไม่มีแก่พระพุทธเจ้าทั้งหลายเมื่ออย่างว่าสงคมเวทนาบางกายที่เกิดขึ้นในเวลุวะค า, ามตลอดสิบเดือนชั้นใดก็ทรง เข้าสมาบัตินั้นบ่อยๆแล้วคมไม่ได้ถึงสิบเดือนถึงนํำรงอยู่ตลอดพัฒกับนี้ฉะนั้นอันนี้คือคือท่านมองไปอีกเรื่องนึงคือความรู้สึกต่อพระพุทธเจ้าของพุทธสาวกเนี่ยจริงต่างกันเยอะนะเดี๋ยวถ้าเราไปอ่านในหลักธรรมนา น, านิกายโดยเฉพาะนิกายมหมาสังกิกาวาดเนี่ยที่ไปแตกออกไปสมัยสังยขยาครั้งที่สองนิการหมาสังกิกาวาด โดยถ้ามีความเชื่อว่าทุกอันค่าะยศของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นโลกุตได้เพราระฉะนั้นพระเจ้าลงพระบางคนหนะ่ะกพระบางคนเบาเนี่มีกลิ่นหอมหมดเชื่อขนาดนั้นนะ น, นะแล้วเทรว่าเาานี่ยก็ถือว่าส่วนพระวรกายประกอบเป็นน้ํำลมไฟอากาศก็เป็นขันธาตุทั้งหลายแต่ก็ที่น่าสังเกตที่วันก่อนที่โยมอะไรที่บอกพระธาตเสด็จมาเยอะเนี่ยแกก็อธิบายก็ถือว่าเป็นเรื่องใหม่ บอกว่าทุกส่วนของพระพุทธสิริราชกลายเป็นพระาธาตุแม้แต่เลือดแม้แต่เนื้อแม้แต่หนังแม้แต่ผมอะไรแต่ไรเนี่ยเป็นเป็นาธาตุไปหมดนันก็เป็นเป็นเรื่องความเชื่อเป็นการอธิบายด้วยความเคารพศรัทธาเทิดทูนต่อพระพุทธเจ้าเพราะงั้นท่านมหาสีวะนี่ท่านบอกว่าเอ่อพอเกิดอ่อนเพียรขึ้นมาก็เข้าสมบัติถ้าสมาบัติครั้งหนึ่งก็ครบไม่ได้ก็สิบเดือนพอครบสิบเดือนเข้าสมบัติต่อก็ต่อไปอย่างนี้ย ต่อไปเรียกก็อยู่ได้เป็นพัตน์กับเรื่องใหญ่เลยทีเดียวคือประเด็นที่เราต้องมองในแง่ของความจริงนะว่าพระพุทธรยาก็เป็นสังขารสังขารที่รับสั่งแสดงแก่พระโหนดไว้ ใ, ในมหาภิญพภานสูตรว่าุูว่านานนโนนแบบนี้ร่างกายตถาคตเีเหมือนเกวียนเก่าที่ซ่อมแซมใยไม้ไผ่ ไม่ใช่ทัพสพสภารเกวีนที่จะรับตำแหน่กได้มากเียต่อไปแล้วนังกายก็เราแก่งหน่อมเพราะฉราวันในที่นั้นทรงแสดงชัดเจนนะฮะว่าลุ์ก็ทรงแกง่แต่ก็เป็นข้อที่ทน่าสังเกตอย่างหนึ่งว่าเราไม่เคยเจอพระพุทธรูปแก่แล้วที่แปลกยิ่งกว่านั้นก็คือว่าเราเรียกพระสง์อายุมากมา ก, มากเเป็นหลวงปู่ มาเองก็มีคนเรียกหลวงปู่เยอะนะปู่บ้างตงตาบ้างนะก็ดีขึ้นๆดีแต่ว่ากับพระพุทธเจ้าไปเรี้หลวงพ่อพุธรูปเราเรียกหลวงพ่อนะเราไม่เรียกหลวงปู่เป็นเรื่องแปลกนะอย่างท่านเจ้าคุณสุมเมธาธิปดีเนี่ยโอ้ท่านเคารพเพื่อถุนมาพุทธเจ้าเรียกสมเด็จพ่ออะไรก็ทําเพื่อสมเด็จพ่อทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่าง เพื่อต้เด็จพาะหรือมอบกายถวายชีวิตเนะี่ยทำงานทรามานอยู่ที่อินเดียยี่สิบหกปีนี่ก็เป็นการแส ด, แดงให้เห็นถึงพลังของศรัทธาเป็นความรู้สึกอย่างนั้นนะ่ะเป็นความรู้สึกผูกพันอบอุ่นใกล้ชิดเป็นการแส ด, แดงความเห็นเราไม่ไปชี้ผิดที่ถูกอะไรท่านหรอกแต่ว่าท่านแส ด, แดงให้เราเห็นว่าอย่างเนี้ยแล้วก็ ท่านก็ตั้งคำถามมาถามว่าก็เพราะเหตุใรจึงไม่ดำรงอยู่เราว่าเพราะขึ้นชื่อว่าร่างกายอมีใจครองถูกทุกเวทนามีคันมหัดเป็นต้นเขาครอบงำส่วนพระเจ้าทั้งหลายไม่ถึงภาวะแห่งทุกเวทนามีพันมหัดเป็นต้นจบมีพ่านเฉพาะในเวลาที่ชนเป็นอันมากพากันรักใคร่สอบใจในส่วนแห่งประชาชนอายุส่วนที่ห้าก็เมื่อพระอากสาวก แล้วก็พระมหาสาวกผู้สัตรูรตามพระพุทธเจ้าที่ผ่านแล้วจะพึงดำรงอยู่องค์เดียวไม่มีบริวารและมีพิศุทธ์หนุ่มสามเณรเป็นบริวารก็ตามต่อแต่นั้นพึงถึงความเป็นผู้ถูกบูหมิ่นว่าน่าสลดใจบริษัทของพระพุทธเจ้าทั้งหลายเพราะฉะนั้นจึงไม่ดำรงอยู่อันนี้แก่มากไปไหน่อยอยู่ต้าต อ, อาธิบายให้มากไปหน่อยหรือคิดได้อย่างไงวคนรุ่นหลังไม่นับถือพระพุทธเจ้าอยทอดทิ้งพระพุทธเจ้า มันเป็นไปไม่ได้นะตอนพระเจ้นีิพานีพระมาเป็นแสนนะเวลานี้พระปีหนึ่งเนี่ยไปถวายไหวที่วูจชนิยสถานสังเวีนิยสฐานสี่ตำบลเนี่ยหลายหมื่นนะฮะปีปีหนึ่งในส่วนต่างๆของโลกด้วยอยู่บางทีท่านก็พูดเพลินไปท่านก็ลืมนึกไปว่าแล้วทั้งนั้นศาสนาจะต่อไปได้ไง เพาะว่าคนรุ่นหลังไปคิดอย่างนั้นแล้วก็จะต่อมันได้ไงนี่ก็คือเป็นเป็นบางทีอย่าลืมว่าคนคนเดียวเขียนหนังสือนะมันก็ถูกบางผิดบ้างแล้วก็แต่เป็นแรงบันดาลใจเขาเรียกว่าเป็นเป็นกวีนะเป็นจินตกวีคือกวีคิดอย่างกวีเป็นความจริงในจิตใจของกวีแล้วฟังอะไร สิ่งทําจากหมหาวิทายาลัยศรีวระทุมในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบูรณนธรรมจงมีแด่ท่านทุกฝั่งทัรงายด้วยทุกกนสวัสดี